พอรู้ทันทําให้มันหายไปคําว่าพอรู้ทันทําให้มันหายไปก็คือมาอยู่กับความรู้สึกตัวไม่ใช่ไปยุ่งอะไรกับอารมณ์กับความคิดพอมันเกิดอย่างมาอยู่กับอีกอย่างไม่ไปยุ่งอะไรกับมันพอไปทําให้มันหาย แล้วไปทําอย่างใดอย่างหนึง่งกับมันมันจะแปลรูปไปอีกอย่างพอความคิดเกิดขึ้นอารมณ์เกิดขึ้นมาทําความรู้สึกตัวนี่คือสัมปชัญญะทําความรู้สึกตัวไม่ใช่ไปทํากับความคิดกับอารมณ์ถ้าเราไปทําอะไรกับความคิดกับอารมณ์เท่ากับเอาสิ่งหนึ่งไปกระทบอีกสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งที่สามเลยจบไม่ลงจริงๆไม่ต้องทําอะไรกับสิ่งนั้น อา ส, ะ ว, ะอาสะวะหมายถึงความเคยชินของจิตที่ยึดให้เป็นทุกข์อยู่ร่วมไปแต่จะทําอย่างไรเข้าใจอะไรถึงจะไม่ยึดติดยึดถือเพราะความเคยชินของจิตที่เรียกว่าอาสะวะหรืออนุสัยมันจะยึดอยู่อย่างนั้นเพราะมันไม่เข้าใจอะไรมันจะยึดเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะสลายอาสะวะตรงนี้ต้องมาสุดที่ปัญญา มันต้องเห็นอย่างถูกต้องมันต้องเข้าใจอย่างถูกต้องพอเห็นอย่างถูกต้องเข้าใจอย่างถูกต้องมันก็วนไปสัมมาทิฏฐิอีกที่ว่าทำอาสวะให้สิน้นถ้าไม่ทะลุ ป, ปัญญาตรงนี้คือเข้าใจกฎของธรรมชาติมันก็จะคลายจากความยึดติดยึดถือให้สิ้นเชิงไม่ได้ยึดติดยึดถือเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้น อารมณ์ชีวิตที่เสวยทุกอารมณ์เป็นชีวิตที่เป็นทุกข์แล้วอารมณ์ชี้ไปที่ชีวิตที่เสวยทุกข์แล้วเช่นความรู้สึกได้ยินยังเป็นความรู้สึกรับรู้เปล่าๆไม่มีอะไรเลยการได้ยินมันไม่มีตัวอะไรเลยมันเรียกว่าเปล่าๆมันแค่การได้ยินยังไม่มีความหมายใดๆเลยแต่ถ้ามันปรุงแต่งแปลตัวไปเป็นความจา ปรุงแต่งแปลตัวเป็นความคิดปรุงแต่งแปรตัวเป็นอารมณ์ไปทั้งกระบวนอย่างนี้เรียกว่าใจมีปัญหาแล้วเราลองทวนกลับอารมณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรอารมณ์เกิดขึ้นมาลอยๆไม่ได้ต้องมีความคิดเป็นปัจจัยความคิดทำให้อารมณ์เกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ต้องมาจากตัวความจำ อยู่ๆมันคิดขึ้นมาเลยลอยไม่ได้ต้องมีความจําเป็นปัจจัยและความจํามาจากไหนก็มาจากการรู้สึกเห็นการรู้สึกได้ยินทะลุตาหูอีกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นความรู้สึกรับรู้ทางเสียงก็ต้องมีเสียงมากระทบหูการได้ยินจึงเกิดขึ้นให้เห็นเป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งอาศัยซึ่งกันและกัน มันไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของในธรรมชาตินี้มันเป็นเรื่องของปัจจัยาการปัจจัยาการที่ทําให้เกิดเรื่องแต่ละอยา่างแต่ละอย่างมันไม่มีเจ้าของสมมุติเราได้ยินเสียงแล้วเราคิดว่ากูได้ยินแล้วกูเนี่ยมาจากไหนที่จริงมันมีแค่สารเองกูนี้เป็นตัวเกินมาแล้วจริงๆมันมีเสียงกระทบประสาทหู เกิดการได้ยินธรรมชาติมีเพียงเท่านี้เองแต่ว่าเราไม่เข้าใจบอกว่ากูได้ยินตัวกูนี้เป็นสิ่งที่เกินไปแล้วจำได้แต่ยังไม่คิดปรุงแต่งอะไรก็ยังถือว่าปเปลาๆอยู่ยังไม่ได้ปรุงแต่งเป็นความหมายใดออกมาสิ่งที่เกินจากธรรมชาติตามความเป็นจริงเรียกปรุงแต่งทั้งนั้นถ้าเรียกโดยภาษาคือมันเกิดมายาขึ้น และมายาเหล่านี้พาให้ทุกข์มายาคือสิ่งที่ไม่ใช่ของจริงเป็นมายาธาตุมายาธรรมหรือมายากลนก็คือหลอกลวงสิ่งหลอกลวงนี้พาเราหลงและเราจะเห็นผิดความจริงตลอดจริงๆโดยธรรมชาติมีเพียงสามอย่างเสียงมากระทบหูทำให้เกิดการได้ยินถ้าจะเรียนรู้ธาตุแม่หรือจักรวาลเดิมธรรมชาติเดิม หรือจิตประพัสอนดูตรงนี้ว่านี่คือตัวไม่เกิดไม่ดับสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับภาวะที่ไม่ปรุงแต่งใดๆเรียกว่าวิสังขารจะเรียกว่าอมตะาธาตุอมตะพ ร, รมภาวะที่ไม่เกิดไม่ตายภาวะที่เรียกว่านิพพานที่เรียกว่าพระเจ้าือตรงนี้ตรงนี้เป็นภาวะที่ยังไม่ปรุงแต่งยังปอ่เปล่า เราต้องเข้าถึงตรงนี้ด้วยถึงจะไม่มีใครตายไม่มีใครเกิดมันเปล่าๆปาราศจากความหมายใดๆและทุกคนต้องเข้าถึงตรงนี้ให้ได้ด้วยถึงจะอยู่กับความเปล่าลาอยู่กับภาวะไม่ปรุงแต่งตรงนี้คือของจริงนิ่งเป็นใบไม่ใช่ที่เกิดเกิดลับดับแต่ของที่ต่อจากนั้นคือของลวงทั้งหมดคือสิ่งที่เคลื่อนไหวทั้งหมดสิ่งที่ปรุงแต่ง ไม่ใช่ของจริงของจริงมันไม่เคลื่อนไหวมันเปล่าๆอยู่สิ่งที่ปรุงแต่งไม่ใช่ของจริงเป็นมายาตกใจรู้ไม่ทันประสบเหตุการณ์แล้วเกิดความรู้สึกตกใจ มีอาการ อ, อกสั่นขวัญแขวนนั่นเป็นปกติเพราะเหตุปัจจัยที่ทําให้เป็นก็ต้องเป็นเช่นอยู่กลางแดดก็ต้องร้อนฉะนั้นจะบอกว่าต้องไม่ตกใจก็ไม่ใช่ถ้าอะไรอะไรก็ไม่สะดุ้งสะเทือนนั่นมันหุ่นยนต์แล้วไม่ใช่คนเวทนามันก็มีตามเหตุปัจจัยแต่ใจปรุงให้เป็นทุกข์หรือไม่สาระคือใจปรุงให้เป็นทุกข์หรือไม่ ไม่ใช่เวทนาไม่มีชี้ไปที่ทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่ใช่ชี้ไปที่เวทนาหรือไม่เวทนาเหมือนเราเจ็บป่วยแต่ใจปรุงให้เป็นทุกข์หรือไม่เวทนาทั้งหมดมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยใจไปปรุงแต่งเวทนานั้นให้เป็นทุกข์หรือไม่ไม่ใช่บอกว่าเวทนาไม่มีเวทนาเกิดตามเหตุปัจจัยและดับตามเหตุปัจจัยเช่น เป็นแผลมันเจ็บจะบอกว่าไม่เจ็บได้อย่างไรแต่ใจเป็นทุกข์กับเจ็บมันไหมการทำความรู้สึกตัวกลับให้มันสลายหายไปเองเมื่อเกิดความสุข หรืออารมณ์ทุกใดๆควรทาความรู้สึกตัวหรือให้มันสลายหายไปเองหรือทำความรู้สึกตัวดีกว่าตัวอย่างเราเอาขาแย่ลงไปในโคลนเราควรล้างขาซะก่อนไม่ฉะนนั้นขาก็จะเปื้อนโคลนโดยที่เราไม่รู้ตัวต่อไปที่เปื้อนเปื้อนบ่อยๆก็หนาขึ้นหนาขึ้นฉะนั้นล้างดีกว่าจิตอาศัยระบบประสาทเกิด เขย่าประสาทไว้ให้จิตคลายโดยสมบูรณ์เราคิดว่ามันหายไปเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่มันไม่แน่ควรทําความรู้สึกตัวนิดหนึ่งหลักง่ายๆไม่ว่าอย่างไรออกจากมันเจ้ถ้าเราไม่ทําความรู้สึกตัวขาก็ยังเปื้อนโคลอนอยู่พอเปื้อนบ่อยๆมันหนาขึ้นหนาขึ้นสิ่งนั้นจะเป็นอนุสัยเป็นอาสวะตั้นเป็นความเคยชินทางจิตชนิดหนึ่ง มันกลืนเราไปโดยไม่รู้ตัวกลืนเป็นเนื้อเดียวกันทำความรู้สึกตัวไว้ปลอดภัยที่สุดรู้สึกตัวคือเขย่าประสาทไว้ไม่ให้จิตหมักประสาทจิตอาศัยระบบประสาทเกิดแต่ถ้าเราไม่ทำความรู้สึกตัวมันหมักประสาทตปอยู่เลยจะหมักด้านสบายด้านสุขด้านทุกข์ก็หมักประสาทเท่ากันฉะนั้น เคลียรประสาทให้เกลี้ยงทุกอย่างก็เปล่าเขย่าประสาทไว้ให้เกลี้ยงปลอดภัยที่สุดจิตอาศัยระบบประสาทเกิดมันไม่เกิดอย่างเดียวมันปรุงแต่งแปรตัวแล้วหมักประสาทเสร็จเรียบร้อยนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าทุก ใจปิติในธรรมการเห็นความดีใจเท่ากับทําความรู้สึกตัวไหมการเห็นเรียกว่ามีสติทําความรู้สึกตัวเรียกว่ามีสัมปชัญญะพอเราเห็นจริงๆความดีใจก็หายไปเองไหมมันไม่ได้หายไปมันกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นเรียกว่ามีสติ ทำความรู้สึกตัวเพื่อให้เกลี้ยงประสาทคือสัมปชัญญละลักษณะจิตที่พอทําอะไรได้แล้วดีใจเรียกปิติในธรรมปิติในธรรมก็ต้องวางปิติในธรรมก็ต้องรู้ทันพอจิตจางคลายจากทุกข์ก็มีปิติขึ้นนี่คือปิติในธรรมพอรู้เท่าทันปิติปิติหายไปสุขสบายก็ปรากฏขึ้น พอรู้เท่าทันสุขสบายว่างก็ปรากฏขึ้นเวลาดีใจมันอิ่มอิ่มมันสดชื่นนั่นแหละคือการก่อตัวขึ้นของสังขารเป็นสังขารเล็กๆมันเป็นเหตุเป็นผลจากผลก็กลายเป็นเหตุอีกให้เกิดผลอีกต่อไปไม่จบนี่คือสังขารพอเห็นเหตุ ด, ดับตัวผลก็ดับ แต่ตัวจำก็มาเล่นต่อมันเอาตัวจำไปปรุงต่อปรุงโดยอัตโนมัติฉะนั้นเคลียร์ให้เกลี้ยงประสาทไว้แน่นอนที่สุดเหตุเกิดผลเกิดเหตุดับผลดับเมื่อผลดับแต่ความจำมันจำไว้เอาสิ่งที่จำไว้มาปรุงต่อไปเป็นขนาจิตเล็กๆตัวที่ขาดไม่ได้คือสติสัมปชัญญะ สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นคือธรรมชาติแต่ธรรมชาตินั้นเป็นทุกข์ถ้าหลงเราออกจากมันด้วยยังเราเข้าไปจับไปยึดอยู่โดยไม่รู้ตัวเพาหลงและไม่รู้ไม่เข้าใจเรานึกว่ามันไม่มีแต่มันจําเป็นความพอใจไว้แล้ววันดีคืนดีในขณะหนึ่งมันก็หยิบที่จําไว้ มาปรุงให้ดีใจซ้ำยึดอะไรเป็นตัวบ่งบอกว่าเรายึดติดยึดถือไว้อนุสัยความเคยชินนี้ สะสมตั้งแต่เมื่อไรเราไม่รู้ได้เราเคยชินกับการเข้าไปยึดถือยึดติดฉะนั้นเรารู้แจ้งตรงนี้ก็ทําความเคยชินในการออกมาเพื่อป้องกันการเข้าไปโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะตัวสบายเราชอบความสบายจึงเอาออกยากที่สุดความสบายอ่านยากมากเพราะมันเป็นความรู้สึกที่ละเอียด และคนพอใจกับความสบายทุกอย่างอ่านง่ายกว่าสบายอ่านยากกว่าดังนั้นสวรรค์จึงอยู่ในจิตนานต้องรู้ขณะจิตของตนเองและมันฝึกซ้อมทำความรู้สึกตัวคือสติสัมปชัญญะเป็นระยะระยะพอเรารู้สึกตัวและสังเกตความรู้สึกที่แตกต่างกันมันต่างจากตรงนี้ไหม โดยเปรียบเทียบว่าถ้าทําความรู้สึกตัวแล้วไม่แตกต่างแสดงว่าจิตไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้ายังมีความรู้สึกแตกต่างแสดงว่าสภาวะเมื่อกี้ไม่ใช่ต้องทําความรู้สึกตัวเป็นระยะๆเพื่อเปรียบเทียบว่ามันมีหรือมันไม่มีถ้าทําความรู้สึกตัวซ้ําหลายๆครั้งแล้วไม่มีสภาวะที่เปลี่ยนแปลง แสดงว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตนี้อีกแล้วมีภาษาบัญญัติว่านิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ต้องรู้ทันคือไม่ประมาท ถ, ถ้าเฉนั้นต้องใช้สติสัมปชัญญะเพราะบางทีเราก็อ่านตัวเองไม่ออกว่าสภาวะของจิตเราอยู่ตรงไหนตัวสบายยิ่งอ่านยากที่สุดต้องทำความรู้สึกตัว ออกช้าออกเร็วก็ต้องออกตัวทุกเห็นได้ง่ายตัวสุขสบายเข้าใจยากแล้วเราจะถูกตัวสุขสบายครอบงำนรกคนอยากออกแต่สวรรค์คนไม่อยากออกเพราะมันสบายจริงๆมันคือสังขารเท่ากันนรกคือสังขารสวรรค์คือสังขารดีใจกับเสียใจก็มีค่าเท่ากันคือสังขาร คือมีการปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นอยู่จุดอ่อนแต่ทำอะไรใจไม่ได้ทุกคนมีจุดอ่อนเมื่อถูกกระทบต้องมีการกระเพื่อม มีการแปลปลวนมากบ้างน้อยบ้างตามปัจจัยแรงมากแรงน้อยที่กระทบพอสติมาทันก็จบอย่าคิดว่าใจเราต้องไม่ปรากฏอะไรขึ้นเลยไม่มีอะไรแผ่วพานเลยนั่นผิดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแต่เหตุปัจจัยแต่ตัวที่จะแก้ไขคือสติสัมปชัญญะชีวิตทั้งชีวิตไม่รู้สึกรู้สาไม่มีปฏิกิริยา ไม่มีอาการใดๆเลยอย่างนั้นกลายเป็นหุ่นยนต์แล้วไม่ใช่คนสแสดงว่าเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยไม่ถูกต้องสิ่งทั้งหลายย่อมเกิดแต่เหตุปัจจัยทุกข์ก็ยังปรากฏอยู่แต่ทุกข์นั้นทําอะไรใจไม่ได้เหมือนน้ํากลิ้งบนใบบอนหรือใบบัวกระทบรูแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่บอกว่าทุกข์ไม่เกิด ทุกยังเกิดอยู่ตามเหตุปัจจัยแต่พอสติสัมปชัญญะรู้ทันทุกนั้นหายไปพอหายไปเรียกว่าทุกนั้นทำอะไรใจไม่ได้ใจเหมือนใบบอลใบบวัวมีน้ำกลิ้งผ่านมันไม่ซับลงเหมือนกระดาษซับเมื่อก่อนใจเราเป็นกระดาษซับตัวสติสัมปชัญญะจะทำให้กระดาษซับเสื่อมคุณภาพ ไม่ซับลงนี่คือความจริงจะบอกว่าใจไม่มีอะไรเลยนั้นโกหกเพราะสิ่งทั้งหลายย่อมเกิดแต่เหตุปัจจัยจะว่าเหตุปัจจัยไม่มีได้อย่างไรเพราะยังกระทบอยู่ทุกทวารสิ่งทั้งหลายยังเกิดแต่เหตุปัจจัยอยู่แต่พอสติจัมพะชญญะรู้ทันมันหายไปไม่ซับลงหรือซับได้นิดเดียวได้น้อยมากเรียกว่า ดำเนินชีวิตอย่างทุกน้อยคือรับได้น้อยมากจะบอกว่าไม่ทรับเลยก็พูดเกินไปทรับได้น้อยประเดี๋ยวก็หายทุกนั้นยังปรากฏอยู่ตามเหตุปัจจัยเสมอไม่เช่นนั้นเวลามีแผลคนนั้นต้องไม่เจ็บจริงๆยังมีเจ็บมีปวดอยู่แต่คิดลุงแต่งอะไรไหมนั่นเรื่องหนึ่งความคิดนั้นยังกระทบใจอยู่ อารมณ์นั้นยังกระทบใจอยู่ไหม ย, ยังมีขณะจิตสองขณะจิตสามยืดเยือ้อไหมแต่ขณะจิตแรกยังมีอยู่ตามปกติความคิดก็ยังกระทบใจอยู่ตามปกติคำว่าไม่คิดปรุงแต่งให้เป็นทุกข์คือไม่ซับลงใจไม่เป็นกระดาษซับซับเมื่อไรทุกข์เมื่อนั้นใครจะว่ายังไรก็ตามต้องหาคาตอบที่ใจตน อ่านใจตัวเองให้ออกว่าใจมีอาการไหมใจมีปัญหาไหมใจมีทุกขหมยความคิดความจำความคิดเกิดมาได้อย่างไร ความคิดมาจากความจำแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นปัจจัยความคิดเกิดไม่ได้ถ้าเราย้อนไปต้นต่อตากระทบรูปทำให้เกิดความรู้สึกรับรู้แล้วมันจะปรุงแต่งแปลตัวให้เกิดธาตุแห่งความจำขึ้นและธาตุความจำนี้จะปรุงแต่งแปลตัวให้เกิดธาตุแห่งความคิดขึ้น เรียกว่ามันเป็นปฏิยาการกันที่ปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการต่อๆไปความจำไปอยู่ตรงไหนจริงๆความจำก็ไม่ได้มีแต่มันเกิดจากความรู้สึกรับรู้เป็นตัวปรุงแต่งแปลตัวให้เกิดความจำความจำก็ปรุงแต่งแปลตัวให้เกิดความคิดความคิดจะเกิดขึ้นโดดๆไม่ได้มันต้องมีความจา เป็นปัจจัยปรุงแต่งแปลตัวให้เกิดความคิดกระแสะธรรมชาติมันจะมาตามลําดับอย่างนี้และแต่ละธาตุก็เพิ่งเกิดตอนมันกระทบคนก็เพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้ตอนยังไม่กระทบก็ยังไม่มีคนพอกระทบปับ๊บเกิดความเป็นคนเกิดกูขึ้นมาทุกอย่างเพิ่งมีเดี๋ยวนี้ตอนกระทบที่เรียกเกิดทันทีดับทันที ถึงจะเข้าใจเรื่องอนัตตาและเห็นความเป็นที่สุดของมันต่องเกิดตอนที่มีการกระทบความรู้สึกรับรู้เพิ่งเกิดตอนนี้แต่มันยังไม่จบเท่านี้ถ้าปล่อยความรู้สึกรับรู้ให้ทำงานก็กลายเป็นความจำความจำก็พัฒนาเป็นความคิดอีกความคิดพัฒนาเป็นอารมณ์มันไปเรื่อยๆแล้ว บางอย่างอธิบายให้เข้าใจเป็นรูปธรรมไม่ได้แต่ใจที่สัมผัสอยู่มันจะเข้าใจยิ่งสื่อก็ยิ่งหา่างเพราะการสื่อก็คือการปรุงความรู้สึกรับรู้ก็เพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้คนก็เพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้อาวิชาก็เพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อวิชามีอยู่แล้วตั้งอยู่แล้วทุกอย่างเพิ่งเกิดเมื่อมีการกระทบ ถ้ามองลักษณะนี้ไม่ออกมันจะงงเรื่องอนาาัตตามันไม่มีอย่างไรกูก็ยังมีตลอดการถ้าหลงผัดสะหลงการกระทบมันจะเกิดความเป็นตัวเป็นตนขึ้นทันทีถ้าไม่เห็นการกระทบแล้วเกิดรับรู้ จบสนิทขันห้าที่ประกอบด้วยทุกข์เมื่อเกิดความรู้สึกรับรู้แล้วก็ปรุงแต่งแปลตัวเพราะปรุงต่อที่ไม่ทุกขนั้นไม่มีฉะนั้นตัวที่จบสนิทจริงๆ จ, จบที่ผัสสะแต่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้สามขยะผัสสะก็ได้เวทนาก็ได้ปัญหาก็ได้บางครั้งท่านบอกให้รู้ธรรมที่ผัสสะ บางครั้งท่านบอกให้รู้ทันที่เวทนาบางครั้งท่านบอกให้รู้ทันที่ตัณหาบางบทท่านบอกให้ออกจากตัณหาบางบทท่านบอกให้ออกจากเวทนาบางบทท่านบอกผัดจักเป็นแดนเกิดของกระแสทุกข์ที่สามจุดนี้ใครถนัดจุดไหนแต่ผมถนัดที่ผัดจักผมเรียกตัดหัวรถจักเลย ถ้ารอไปถึงตันหาอย่างผมเอาไม่อยู่แล้วแดนเสื่อแห่งการกระทบคือสมุทรไทยที่เล็กที่สุดถ้าไม่เช่นนั้นจะไปสอดคล้องกับพุทธพจน์ที่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้อย่างไรได้ยินสักแต่ว่าได้ยินไม่ได้คือไม่ปรุงอะไรผมจะถนัดแบบนี้บางคนจะถนัดไปหยุดที่เวทนาก็ได้หยุดที่ตันหาก็ได้ สำหรับผมถ้าไปหยุดที่ตันหาผมไม่มั่นใจผมเห็นการลากหางของจิตจิตหนึ่งจิตหนึ่งคืออะไรจิตหนึ่งคือจุดที่เกิดและดับ คือจุดเดียวกันไม่แตกตัวออกไปพอทําท่าจะคิดรู้แล้วชี้ไปที่ตัวสังขารโดยเฉพาะเลยคือความนึกคิดพอทําท่าจะคิดรู้ทันจบแต่จบในลนักษณะไม่ใช่กดไว้ข่มไว้พอรู้ทันมันหายไปหายไปคือจากหนึ่งแล้วกลายเป็นศูนย์ทั้งหนึ่งและศูนย์อยู่ณที่เดียวกัน การขยับเคลื่อนไหวกายก็ต้องคิดแต่ไม่ใช่สาระไม่ต้องไปสนใจสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในใจกระบวนการกายเป็นเรื่องของธรรมชาติมันจะคิดมาจากไหนไม่ต้องสนใจเรามีหน้าที่รู้ทันอย่างเดียวตรงนี้แหละคือจบอย่างถอนรากถอนโคนไม่มีตัวต่อแต่จบอย่างนี้รู้อะไรไหม ตอบว่าไม่รู้ถ้าจะรู้ต้องปล่อยให้มันคิดออกมาไปอีกขั้นตอนหนึ่งปล่อยให้มันคิดปล่อยให้มันเกิดอารมณ์เกิดวงจรต่อเนื่องออกมาถึงจะรู้ในชีวิตประจําวันรู้เท่าทันสิ่งที่กําลังคิดแต่ถ้าจะดับชนิดทําท่าจะคิดต้องรู้ทันซ้อมทำทุกวันในชีวิตประจําวัน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 พอทำท่าจะคิดรู้ทันจบนี่คือตัวดับสนิททั้งเกิดทั้งดับอยู่ณจุดเดียวกันแต่ในชีวิตคนก็ต้องปรุงอยู่น้อยๆแต่ไม่ทุกข์หรือดำเนินชีวิตอย่างทุกข์น้อยช่วงไหนที่เราต้องการดับสนิทเราก็ไม่ปล่อยให้มันทำท่าจะก่อขึ้นมาเลยพอทำท่าจะคิดทำท่าจะก่อเรารู้ทัน จะอยู่อย่างมีก็ได้จะอยู่อย่างไม่มีก็ได้ตามที่เราต้องการเหตุปัจจัยที่ต้องมีก็มีเมื่อไรไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้มีก็มาอยู่กับความไม่มีขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย สนใจให้ค่าถ้าเราไม่สนใจอะไรนานๆค่ามันก็หายไปจากใจเราถ้าเราไม่เพิ่มเติมอยู่เรื่อยสิ่งนั้นก็จางตัวไปมันอยู่ที่เราสนใจมันหรือไม่สนใจแต่ต้องดูการทำเหตุของเราด้วยบางทีบอกว่าไม่สนใจแต่เราทำเหตุอันนั้นอยู่เมื่อทำเหตุอันนั้นอยู่ ผลก็ต้องปรากฏบางครั้งเราก็ทําเหตุโดยไม่รู้ตัวความกังวลเกี่ยวกับสิ่งนั้นความคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นนั่นแหละคือสนใจเรามองว่าที่เราสนใจคือเราพอใจแต่ว่ามีอีกด้านหนึ่งที่เรามองไม่ออกคือที่เราไม่พอใจก็คือเราสนใจ ด้านหนึ่งสนใจเพื่อให้อยู่อีกด้านหนึ่งสนใจเพื่อจะผลักออกเราต้องไม่ให้ค่าทั้งสองด้านคือด้านปฏิเสธและด้านพอใจแต่ระวังให้ดีพอจะไม่ให้ค่าจริงๆมันปฏิเสธอยู่ข้างในคือเราไปคิดว่าความรู้สึกนั้นมันตั้งอยู่จนความรู้สึกมันกลายเป็นตัวตนเราไม่มองความรู้สึกเป็นแค่มายา แค่รู้สึกรับรู้แล้วก็ดับสิ่งที่ถูกรู้เกิดแล้วก็ดับสิ่งที่เข้ามารู้เกิดแล้วก็ดับเช่นเอามือรูปแขนถ้ารูปก็รู้สึกถ้าไม่รูปก็ไม่รู้สึกพอรูปเสร็จความรู้สึกนี้ก็ดับลงมันแค่ความรู้สึกรับรู้แล้วก็ดับเราทำแต่เหตุอย่างเดียวเมื่อใจไม่มีอะไร ก็รู้ว่าใจไม่มีอะไรแล้วก็จบแต่พอใจกำลังมีอะไรก็รู้อีกว่าใจมีอะไรแล้วก็จบพอคิดแวบขึ้นมาก็หายแล้วที่หายไปเรียกว่าดับเรียกว่าไม่มีมันเป็นค่ายกนของจิตพอคิดขึ้นมาที่ไรมันก็มีแล้วก็ดับไปเป็นแค่พฤติกรรม เป็นแค่กริยาเป็นแค่อาการที่เกิดเกิดดับดับอยู่ตลอดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนใดๆเป็นแค่ความรู้สึกรับรู้แล้วก็วางคือโดยสรุปแล้วยึดติดยึดถืออะไรไม่ได้สักอย่างพอยึดอะไรก็มีปัญหาอยู่กับอันนั้นคือเราหลงว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริงๆ พอสบายก็เริ่มจับสบายนั้นเริ่มเห็นผิดแล้วทำแต่เหตุอย่างเดียวไม่ต้องไล่จับผลพอเหตุถูกต้องผลปรากฏอยู่เองโดยไม่ต้องไล่จับพอทําท่าจะคิดรู้ทันทําอยู่แค่ตรงนี้เมื่อเหตุถูกต้องผลปรากฏเองพอผลปรากฏก็ไม่จับผลแต่ก็รู้อยู่ว่าเป็นอย่างไรแต่ก็ไม่จับ พอไปเฝ้าผลกลัวผลจะหายกลายเป็นผลมีอยู่จริงไม่อยากให้มันหายทําไปทํามาจิตคลายกลายเป็นจิตก่ออีกเพราะไปตั้งป้อมเฝ้าผลตลอดจากไม่มีกลายเป็นสิ่งที่มีอีกแล้วตรงนี้อยู่ที่ความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆเช่นพอเบาสบายเราก็อยากให้มีอยู่อย่างนั้นนี่ตัวร้าย คือไม่อยากให้มันหายจริงๆตัวเบาสบายเกิดจากเราทําเหตุต่างหากฉะนั้นเราทําที่เหตุอย่างเดียวเบาสบายเรื่องของมันผลปรากฏเองเมื่อเหตุถูกต้องวันๆที่เราวนอยู่เราเอาความจํามาปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์พอเกิดอารมณ์เสร็จจําไว้แล้วเอามาคิดใหม่ให้เกิดอารมณ์ใหม่ก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ ออกจากวังวนแห่งทุกนี้ไม่ได้ที่คิดมันไม่ได้คิดไปข้างหน้ามันเอาความจำเก่ามาคิด